ในทัศสุตระสสูตรต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี้พูดถึงธรรมะที่ควรให้ธรรมะที่แทงตลอดได้ยากนั่นแหละสัพปริสธรรมทั้งเจ็ดประการนั้นถือว่าเป็นธรรมะที่เข้าใจยากนั่นแหละแทงตลอดได้ยากเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นไปนี่ก็ยากแหละเพราะว่าคาว่ารู้ธรรมหมายถึงรู้คาสอนจริง รู้พไตยปิดกเลยรู้อัดก็คือรู้ความหมายของคําสอนทั้งหมดส่วนรู้ตนนี่ก็คือรู้จักว่าตัวเองนี่มีศรัทธาศินสุตะจากขามีปฏิพานขนาดไหนส่วนรู้ประมาณนี่นะก็คือกล่าวถึงประมาณในการรับเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจัย4ส่วนรู้กาณนี่ก็คือรู้จักเวลาบริหารเวลาให้เป็นนี่นะ ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดเนี่ยน ะ, ะจะต้องเกี่ยวข้องในลักษณะไหนแล้วก็ปริษัทอยู่ก็คือรู้บริษัทรู้ว่าบริษัทที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี้เข้าเป็นอย่างไรกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้บริษัทการเข้าไปเกี่ยวข้องมันมันสร้างความทุกข์ให้เป็นอย่างมาก แล้วก็รู้จักบุคคลนะว่าบุคคลทั้งหลายนี้มีความยิ่งความหย่อนขนาดไหนที่มาขึ้นธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นอันนี้ควรควรให้มันมีเลยนะให้มันมีอยู่ในใจเลย ส, ญญเนะนะสัญญาเจ็ดประการนั่นนะสัญญาเจ็ดประการนี้สัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญานะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงสัญญาเจตสิกแต่หมายถึงปัญญานั่นะนะ นั่นคือความหมายอะเป็นชื่อของปัญญาเพราะคุณภาพของสัญญาไม่มีความสามารถขนาดนี้หรอกโดยอัถฐไม่หมายถึงปัญญาท่านอันในอัตถกถาอังคุตระนิกายท่านอธิบายเป็นปัญญาคืออนิจจาสัญญาอนัตตาสัญญาอาสุภาษสัญญาอาทีนวะสัญญา ปหาณะสัญญาวิราคาสัญญาและก็นิโรธสัญญาสัญญาทั้งเจ็ดประการเป็นธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นนันะนะคือให้มันมีเลยนะหมายความว่าให้เป็นเป็นของที่เป็นของที่ใช้เป็นชีวิตปกติเป็นชีวิตประจำวันเลยเหมือนกับสายแว่นตาเนี่ยนะคนที่สายตาลืมตาป๊บต้องใส่แว่นทุกครั้งไปที่ใช้ตาเนี่ยฉันใดสัญญาเจ็ดประการนี้ควรจะมี มีให้ตลอดให้เนืองนิดให้เป็นอัธยาศัยแต่ถ้าใครที่ที่มีสัญญาเหล่านี้มากๆว่ า, างั้นเถอะโลกนี้มันคับแคบทันทีไม่ค่อยน่าอยู่ว่างั้นที่ไม่ค่อยน่าอยู่อ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นสาระสักที่ที่จริงๆแม้แต่อย่างเดียวยนั่นนะ เพราะว่าสัญญาเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในในว่ตตนนั่นนะมุ่งไปที่สแสวงหาธรรมะที่สงบประงับจากสังขารนะอย่างข้อแรกเลยนะอนิจจสัญญาก็ยกข้อความมาจากอังคุตรนิกายสัตการนิบาทคือธรรมะหมวดเจดกล่าวว่าดูก่อนอานอนุนก็อนิจจสัญญานี่เป็นไนะ ดูก่อนอนอนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างเปล่าก็ดียอมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ ดูก่อนอนอนนี้เรียกว่าอ น, นิจจสัญญานั่นนะก็กุมชูลองเคยไปเจริญบ้างหรื อ, อยังว่าเอออ น, นิจจสัญญานี่เป็นอย่างี้ไปอยู่ในที่เงียบเงียบปลีกเล่นหน่อยนะก็ไปเจริญไอสัญญานี้ขึ้นวารูปไม่เที่ยงนะเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนั่นนะก็คือไปเจริญตีระนาปริญญา นั่นเองนะงั้นในของเราทั้งหลายนี่ในนี้มีใครมีประสบะการณ์ไปนั่งเจริญสัญญาเหล่านี้บ้างหรือเปล่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงหรือว่าไปกลัวโอโ้โหนี่มันธรรมะชั้นสูงมากแล้วมันไม่ใช่มันต้องมาหรือว่ายังไงไม่ทราบยังเคยสอนเคยไปเจริญไหมมาก็จจะเริญ อย่งือะยเชนตาจมูเจริญไม่ได้นไม่ถูกก่อนไม่ถูกอัธยาศัยแต่ว่าถ้าเป็นเวทนาจิชัดอ๋อชอบเวทนาชอบจิตที่จะทำอยู่นี่คือทำองอย่างคือพูดถึงว่าว่าเจริญก็คงไม่ได้เจริญเป็นชิ้นเป็นอันจริงอาจะว่ามันสังเกตบ่อยๆเรื่องความไม่เที่ยง โดยเฉพาะจะเห็นรูปนะฮ ะ, น ะ, นะรูปซึ่งไม่เที่ยงเนี่ยก็อาศัยโดยมากก็ไม่ได้คอยพิจารณาเข้ามาตัวด้วยนะโดยมากจะเป็นพิจารณาภายนอกไปซะเยอะนี่ยก็มันรู้ไปยัไงมันมันเห็นชัดนะครับหรือว่าดูในทีวีเงี้ยมันเห็นชัดเลยอย่างเราเห็นพวกดารานี่นะเขาผ่านไปสักหลายหลายเดือนนี่ผมเปลี่ยนไปเยอะมาก จับงามๆมันงามน้อยไปหน่อยเห็นชัดมากเลยมันน้อรถน้อยไปจริงๆมันเยอะเลยลดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะที่ก็แก่ขึ้นเห็นชัดมากก็ไม่ได้แสดงว่าก็อเขาแบบๆมันไม่ไม่ถึงกับเจริญนะถ้าเจริญมันต้องเป็นเป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ก็ยังดีใช่ไหมครับถ้าคุณหมอไปเจริญบ้างไหมอันนี้จะสัญญาหนึงนะ อเป็นปกติช่วยเล่าให้ฟังจะเจริญยังไงบ้างเพื่อจะได้นัยยะบ้างคือถ้าถ้าถ้าโดยโดยอนิจจสัญญาเนี่ยถ้ามันเจริญได้หลายแบบนะแต่ว่าในในทัศนะเท่าที่ศึกษามานีถ้าผิดถูกก็ขอให้ชี้แจงช่วยชี้แนะด้วยคืออันที่หนึ่งก็ผมพิจารณาโดยมากเนี่ยเพเป็นไปในอายุ เช่นว่าอายุอายุเปลี่ยนไปเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยอันหนึ่งนะครับก็คือพิจารณาโดยความเป็นชาราเนี่ยอันหนึง่งอันต่อไปก็โดยความเป็นมรณะนี่ก็เป็นอยู่ในกลุ่มอนิจจารักษณะเหมือนกันหรือแม้ว่าถ้าบางทีเนี่ยเราทําเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราเกิดปรารถนาขึ้นมาอย่างเช่นว่าปรารถนาพบใดพบหนึ่งเนี่ยก็พิจารณาว่าขึ้นไปได้ไม่นานก็ตกมาอีกหรือหรือแม้แต่อ่านพระสูตรเนี่ยก็จะมีว่าเล่าเหตุการณานน์นั้นๆเหตุการณาน์นี้นี่อะไรมาเนี่ย เหตุการณ์นั้นๆเหตุการณ์นี้ๆเนี่ยก็หมดไปอีกนั้นจะไปถ้าถ้าพิจารณาโดยพบต่างๆเนี่ยพบทั้งหลายนี่ก็ก็มีการเวียนไปนะแล้วก็อยู่ได้ไม่นานอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราบอกว่าจะปรารถนาะอย่างนั้นปรารถนายนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนี่ครับหรือว่า แต่อีกอีกอย่างที่ที่ผมคิดว่าอนิจจารสัญญาหน้าจะมีประโยชน์มากคือสําหรับคนที่โทสะเกิดได้บ่อยเกิดได้มากหรือว่าผมเนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ว่าแม้แต่แม้แต่จิตที่เป็นโทสะหรือว่าลักษณะของโทสะเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานหรือว่าพิจารณาว่าแม้แต่อารมณ์เนี่ยอันเป็นที่ตั้งของโทสะเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันนี่ไม่ทราบว่าท่านอื่นมีปกติพิจารณาอย่างไร แต่ว่าถ้าพิจารณาโดยโดยมรณะอย่างเดียวนี so ้ก็แทบจะอนิจจาอย่างยิ่งแล้วครับ คืออะไรคือย่างนี้นะของจริงเลยแบบคิดตั้งใจว่าประกาศหลายที่ประกาศแล้วว่าจะไม่ย้อมผมนั่นแหละจะเอาอย่างนี้เพราะว่าชล า, ามรณะมันจะมาแล้วนะแต่ว่าไม่สนใจโคเสียงจะต้องก็งเลยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แหละของจริงเส้นจริงค่ะเพราะว่ามันแก่มันจะต้องรู้อันนี้จานมันไม่แน่นอนกลับไปดูรูปเก่าๆมันไม่แยกเป็นอย่างนี้นะ้ ก็ว่องแข็งแรงทุกอย่างปดออกปั๊บวิ่งโค้งอะไรนะที่นี่มันช้าไปหมดทำไมช้าเวลามันไวแต่ก็ไม่ใช่๊กไปคิดมาอั่านั้ น, นทุกอย่างก็ไม่ทีก็เลยไม่ต้องไปดูที่อื่นเราต้องไปโอกาสไปอินเดียไปที่ไหนเราไม่มีโอกาสจะนะนะเราก็เลยเอาตรงนี้ตัวเรานี่แหละส่องกรจบทุกวันอ๋อมันรู้ล่ต้องไปทํำอะไรมันแหละจบเลยเสียดสิทธุ่ า, านอจารย์ออกความเห็นหน่อยจะได้ไม่เพ้อเจอไปไกลค ก็ตองทำมิตรนี่นะต้องทำอะรมินี่มันนั่งนั่งก็มาทำอวไรกูมันจะต้องมีคนอยากจะพูดไงมันมีประชาชนเราก็พอจะเป็นคนขี้โมโหแต่ว่าแก็บแม่ใครรู้เงียบเรอเรอเงียบ <c oughs> คือที่ที่ผมอ น, นิจจลักษณะนี่ผมจะใช้ในในเวทนาซึ่งซึ่งบางครั้งเวลาเวลานั่งพิจารณารอบเนี่ยผมว่าใช้ใช้เวลาได้ดีทีเดียวครับคือรอบหนึ่งจะใช้เวล า, ลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากสมดมนแล้วลองนั่งดูนะะ หลานนี่สันเลยะไปโรงเรียนสายทุกทีห <laughs> ลือไม่อีกวิธีก็ใช้วิธีสาธทยายสง่งหลานไปโรงเรียนและจากโรงเรียนหลานมาที่ทำงานก็สิบกว่ากิโลก็สายทยายได้สักรอบนึ่งฮก็แบบที่อาจารย์สอนนะฮะตัวอย่างนิดเดียวนะฮะ <c oughs> คือผมก็จะนึกว่าเออสีสีเป็นวัด วัตเป็นวัตถุเป็ น, เ, เ, ปนเป็นรูปรูปที่เป็นอารมณ์นะตกลงทบจากสุทวานทําให้เกิดจากสุวิญญาณนะจากจากสุวิญญาณจะเกิดให้ถ้าไม่เกิดภาษาภาษาทําให้เกิดเวทนาซึ่งประกอบด้วยสัญญาเจตนาจากสัญญาและเจตนานี้จะทําให้เกิด <c oughs> สุขทุกข์อุเบกขาจากสุขทุกข์อุเบกขานี้เรออาจจะมีสุขทุกข์อุเบกขาแบบโลกยะ จากเวทนาที่ในการดูสีนี่จะทําให้เกิดสุกทุกอุเบขาทางโลกุตระจาก <c oughs> จากเวทนาสุขทุกอุเบกคาเราจะสามารถสังเกตได้จากภายในตัวเราซึ่งเราได้เห็นเขาหรือจากภายนอกคือผู้อื่นก็เห็นหรือทั้งตัวเราและตัวทั้งตัวเราคือภายในและภายนอกสุกตุเบคาแบบโลกิยะ จะมองเห็นทั้งภายในคือตัวเรามองเห็นทั้งภายนอกและทั้งภายในและภายนอกสุกตู้เบขาแบบโลกุตระคือนึกถึงว่าเราจะทำบุญอะไรทั้งภายในก็เกิดทั้งภายนอกก็เกิดทั้งทั้งภายในและภายนอกคือตัวเราและคนอื่นก็เกิดสุกตู้เบขาจากการมองสีเห็นสีเนี่ยแม้ในอดีตก็เกิดมาแล้วแม้ในอนาคตก็จะเกิดขึ้นอีกแม้ปัจจุบันก็กาลังเกิดขึ้นอยู่สุกตู้เบขาแบบโลกยะ แมภายในแม่ในอดีตก็เกิดขึ้นแล้วแม่ภายในภาขอโทษแม่ในอดีตก็เกิดขึ้นแล้วแม่แมในอนาคตก็จะเกิดขึ้นอีกแม่ปัจจุบันก็เกิดขึ้นอยู่สุกตู้อุเบกขาแบบโลกุตระคือนึกถึงทาบุญนะครับแม่อดีตก็เกิดขึ้นแล้วแม่ในอนาคตก็จะจะเกิดขึ้นอีกแม่ปัจจุบันก็กำลังเกิดขึ้นอยู่สุกตูอุเบกขาที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงคือสุขบ้างทุกบ้างอุเบกขาบ้างอ น, นิจจธรรมังคือเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสังกัตธรรมังเกิด <c oughs> ขึ้นแล้วย่อมมีการปรุงแต่งบ้างเกลียดบ้างชอบชังบ้างอุปทานไปเรื่อยแล้วก็ปฏิจัตธรรมังคือพวกนี้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยมาประชุมรวมกันถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเราก็ไม่เกิดคือถ้าไม่มีตาก็มองไม่เห็นวายะธรรมัง เกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเสื่อมไปขยะทำมังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการหมดไปเช่นดูบ้านตอนสร้างใหม่สวยๆนึกถึงบ้านผมตอนนี้นโส้โมๆเนี่ยมันเสื่อมผมก็นึกถึงบ้านผม ป, นะปารินะปรินามะทำมังเกิดขึ้นแล้วย่อมมีคลายมีการคลายไปผมก็นึกถึงว่าตอนมีรถครั้งแรกผมตื่นเต้นจะ้ะตอนนี้ผมไม่ตื่นเต้นแลย้ยนี่รธทะทำมัง เกิดขึ้นแล้วย่อมมีการสิ้นไปหมายถึงว่าถ้าเราทำบุญทำกุศลจนท่านหมดกิเลสเราก็คงสิ้นสิ้นการมองเห็นพวกนี้นึกถึงในรูปนี้นะครับ <c oughs> สิ่งใดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นย่อมมีทุกขสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราอันนี้คือแค่อายะตนาแรกผมก็สาธยายจนครบ6อายะตน อายตนะนะครับจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตอนแค่นี้ที่อาจารย์สอนแล้วก็รวบรวมเอาก็ขออนุโมทนาด้วยนะที่อันที่จริงนะในฉกาจฉกสูตรนี่ดีเหลือเกินนะฮะที่ท่านอาจารย์มามาให้เราเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนนะที่อยู่ในชั้นนี้น่าจะน่าจะ น่าจะจําหลักๆได้นะบุคคลอาศัยรูปและตาทําให้เกิดจกักรวิญญาณทําสามปการนี้ประชุมกันเรียกปัตตาปัตตาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเปิดัจให้เกิดตัณหาเนี่ยตรงเนี้น่าน่าจำมาพวกเราต้องจําให้ได้เพราะมันเป็นมันเป็นโครงสร้างที่ดีมากๆเลยนะเพราะเรื่องท่า ว, ว่าบุคคลอาศัยรูปเราก็อันเนี้ยรูปจะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะและตาเอาอตามาทําอันนี้จังทุกขังอนัตตานะ รวมกันได้จากจากักขวิญญาณเอาจากคูวิญญาณมาทําอันนี้จังทุกขังอนัตาก็ได้ลราไล่ลงไปถึงเวทนาถึงตัณหานี่นะเราก็จับไอจุดๆเหล่านี้เพราะในชักขชักสูนเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งของชีวิตเป็นจุดหนึ่งของชีวิตที่เราดึงออกมาเป็นตัวอย่างที่เอามาทำปริญญาเนี่ยมันน่าจํานะผมว่าผมว่าน่าจะจําได้ทุกคน ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ในเมื่อเรารู้ว่าอนนี้จะสัญญามันไม่เที่ยงอย่างนี้เราเข้าใจแล้วอย่างนี้เข้าใจอ่ะมันเป็นอย่างงัดจริงๆแล้วเราจําเป็นด้วยหรือที่จะต้องไปอยู่ในป่าไปในเดือนว่าเราไป น, านั่งพิจารณา แล้วแล้วคุณหมอว่าไงต่อไปอ่ะมันจําเป็นหรือไม่แล้วคุณหมอตอบว่าไงผมว่าในเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ไม่จําปจเป็นจะต้องไปท่องไปยาที่อะไแล้วถ้าถ้าไม่ท่องทํำยังไงกันนั่งเฉยๆเรื่องเาไปคิดเรื่องอื่นต่อ <c oughs> <c oughs> เราถือเรื่องนี้รู้เรื่องอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> จเป็นอะเไปเดือนว่าเราไปนั่งิดอ่าอันนี้จริงนะครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยคงจะไม่ใ่คงจะไม่ใจว่าคิดที่ไหนก็ได้นะเรื่องที่จะที่จะตึกไปใน ตึกไปในวิปัสนาภูมิบางทีเธอะเรียกให้ให้นั่นๆนหน่อยนะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นวิปัสนาภูมิน่ะจะเป็นขันก็ได้เป็นธาตุก็ได้อายตนะก็ได้เนี่ยการตึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าตึกที่ไหนก็ได้ก็ถูกแต่ว่าถ้าตึกเป็นชิ้นเป็นอันนะตึกแล้วให้เกิดผลเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แน่นอนแล้วก็ยังมียังมีปัจจัยอีกเยอะเลยที่จะทําให้ตึกแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยนะ ไม่ใช่ง่ายเลยหรือว่าเราบอกว่าเราอยู่ในป่าก็ตึกได้อยู่ในเมืองก็ตึกได้ถ้านลองท่านไปอยู่ในในคลับดูเถอะครับท่านจะตึกได้ไหมท่านก็บอกออพราะตึกได้แต่อาจจะตึกได้แป๊บเดียวอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็การตึกเนี่ยนะมันเกิดผลยังไงเนี่ยแต่ก่อนนี่ผมไม่ค่อยทราบซึงนะในเรื่องว่าไอ้ไอ้อิทธิพลหรือว่าไอ้ผลของการคิดนึกเนี่ยมันมีผลมากๆเลยนะมันมีผลจริงๆแต่ว่า แต่ว่าเราไม่ค่อยทราบซึ่งไม่ค่อยเห็นผลของการตึกเช่นสมมติว่าท่านท่านตึกนะัในเรื่องความโกรธนี่นะถ้าขณะยังไม่โกรธนี่นะถ้าลองนึกโกรธใครทั้งคนเนี่ยแล้วนึกให้นานๆนะรับรองว่าโกรธมันชัดเจนขึ้นโกรธมันแรงขึ้นชัดเจนขึ้นมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทว่าถ้าหากว่าไอ้สิ่งตรงข้ามของความโกรธเนี่ยนะซึ่งมันเป็นสภาวธรรมเนี่ยถ้าเราเอามาตึก จิงจริงจั ง, จงๆเนี่ยนะผมว่าผลมันต้องเกิดแน่ๆเลยนะผลต้องเกิดมากๆเลยผมยังศรัทธาว่าอ่าอ่าไอ้ออเรื่องการตรึกเนี่ยนะเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลนี่นะฮะพระผู้ที่พระโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับทำไมท่านตรึกกันทั้งคืนทั้งวันเนี่ยนะตรึกไม่หยุดเลยนะแล้วท่านตึกอะไรอีตรงนี้ท่านตึกอะไร นะแล้วทำไมท่านตึกได้ทั้งทั้งวันนะทั้งที่จิตเป็นกุศลตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ของง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นผมผมผมยังเห็นว่านังสือเล่มที่ผมเขียนไปนั้นผมผมพยายามอธิบายถึงว่าไอ้อิทธิพลของการคิดนึกเนี่ยนะไม่ใช่ผมพูดอย่างเดียวนะผมเอามาจากพระคัมภีร์ทั้งนั้นเลยนะว่าพูดถึงว่าความตึกเนี่ยท่านบอกว่าตอนท้ายของเล่มเนี่ยผมบอกว่ า, าปัญญาหรือว่า หนนะปัญญาก็ใช่นะสัมมาทิฏฐิก็ใช่วิปัสสนาก็ใช่มันเกิดได้จากปรโตโคสละและโยนิสวงานสิการท่านพูดสรุปไว้ตรงนี้นะประโตโขสะและโยนิสวงานสิการแต่เราเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเราได้ปรโตโคสละเยอะเลยฟังจากท่านอาจารย์ก็มากอ่านหนังสือก็มากแต่ว่าโยนิสวงานกสิการน้อยมากเลยผมพูดได้มันน้อยจริงๆคือการคือการตรึกเนี่ยน้อยมากมากเลย เพราะฉะนั้นถ้าผูดด้ใดไปตึกแล้วนี่นะก็ก็จะรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมจะพิสูจน์การตึกได้นะถ้าท่านตึกแล้วท่านเข้าใจธรรมะบางอย่างซึ่งท่านเคยไม่เข้าใจมาก่อนหรือว่าท่านตึกแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจนะท่านเกิดปราโม้นแน่นอนผมพูดได้เลยนะแล้วสิ่งนี้จะจะเป็นการพิสูจน์ว่าเออจริงๆแล้วนี่นะท่านกล่าวไว้เลยนะว่าโยนิสโนมัติการนะั้นมี มีอ น, นิสงฆ์เก้าประการนั้นหนึ่งปราโมทีปีสามปัิสัตย์แล้วก็ไปปัิสัตยที่แล้วก็ไ ป, ป, ส, ไป ส, สงบนะสงบแล้วก็เห็นสภาวะธรมตามความเป็นจริงนะฮะยถาภูแตายานทัศนะไล่ไปเรื่อยนะเก้าประการนี่นะจนบรรลุมรคนี่นะเราจะเห็นว่าข้อแรกคือว่าเมื่อตึกแล้วเกิดปราโมทเนี่ยนะถ้าผู้ใดนะเกิดปราโมทสักครั้งเราจะเห็นเลยว่าโอโ้พระสูตรนี้ท่านกล่าวไว้จริงและการปฏิบัติมีผลจริง ขอให้เกิดสักครั้งนี่นะปลาหมดเ็กเล็กนีน้อยไม่ต้องปลาหมดมากก็ได้ยาวไปสักหน่อยแล้วฉชน